ฟังธรรมกันเ <c oughs> ลยหลวงพ่อเป็นผู้พูดท่านทั้งหลายเป็นผู้ฟังพูดธรรมะฟังธรรมะหรือฟังเรื่องกายเรื่องใจของเรานี่ยจะมีธรรม าเรามีสติดูลเลี่ห็นอะไรที่เกิดขึ้นกับกายกับใจมีสติเมื่อมีสติก็มีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงมีเฉลีปัญญาเบื่อหน่อยในความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เบื่อหน่อยในความเป็นทุกข์ เป็นสิงที่ไม่ใช่ตัวใช่ตนที่เกิดกับกายกับใจเป็นส ม, มุทัยสองขานไปเฉลี่ยตัณหาไม่ใช่ตัวใช่ตนเมื่อหน่อยนอนแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานมันไปนทำหมดจดเราจึงมามีสติไปในกายกันมาดูแลมันลองดูมันจะเกิดอะไรขึ้นกับกายกับใจนี่ มาดูแลมารักษาได้บทเรียนได้พบเห็นสิ่งที่เหมือนเกิดกับปายกับใจมากมายหลายอย่างเห็นความหลงเห็นความรู้ต่างกันอยู่เห็นความผิดเห็นความถูกมันก็ต่างกันอยู่เห็นความทุกข์เห็นความไม่ทุกข์มันก็ต่างกันอยู่มันจะแยกไปแบบนี้คือเห็น เรียกว่ามาดูแลตัวเองรักษาตัวเองถ้าเห็นล้วก็รักษาตัวเองได้ปลอดภยัยเมื่อเราเห็นงูก็ไม่ให้งูกัดได้ภาวาที่สติที่เห็นกายเห็นความคิดเห็นจิตใจเช่นเดียวกันเห็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์เห็นหลงไม่เป็นหลง มันหมาห้เห็นไม่ได้คิดเห็นเ่นเรามีสติไปนในกายเราจะเกิดอะไรขึ้นที่ไม่ใช่สติกับกายเรามาเคยอยู่อย่างนี้ชีวิตเราเคยไปกับมันทุกอย่างอยู่ในโลกไม่อยู่เหนือโลกไม่ออกว่าโดูโลกเราหลงเป็นหลงทุ ก, ทกข์เป็นทุกข์สุขเป็นสุขโชบเป็นโชบไม่ชอบเป็นไม่ชอ บ, ชอบแล้วก็ทมตามสิ่งที่มันเกิดขึ้น เรายื่นอะไรมาให้ก็จับเอายื่นสุกมาก็เอาสุกยื่นทุกมาก็เอาทุกพอใจก็พอใจไม่พอใจก็ไม่พอใจทั้งทั้งที่โลกกันถ่งมันเหนือนั่นอยู่เห็นความพอใจและความไม่พอใจในโลกถอนออกมาได้มีสติปัญญานี่คือการปฏิบัติตามฝึกตนสอนตนทุกคนมีได้เห็นได้ไหมต้องมีคําถาม บทเรียนเยอะแยะถ้ามีสติมันทัศนานุตริยะเห็นของจริงที่มันเกิดเกิดไากับใยเห็นทุกมันจริงแบบเป็นทุกเห็นความไม่เที่ยงจริงแบบความไม่เที่ยงในของไม่เที่ยงในของไม่จริงมีความจริงในของจริงมีความไม่จริง ความหลงความทุกข์ไม่จริงความไม่ทุกข์ความไม่หลงจริงกว่าในความไม่จริงมันเป็นของจริงได้ประโยชน์พบเหมือกับคนพบเชื่อโลกเมื่อเห็นโลกสมมุตฐานของโลกที่สมมุติฐานของสิ่งนี้เกิดโลกขึ้นมาแก้ไขได้เช่นคนเป็นช่างซ่องเครื่องโยนต์เห็น เรื่องโยนที่มันมีความเกี่ยวข้องที่มันผิดใช่ไม่ได้กแก้ไขการปฏิบัติธรรมของดูแลกายใจนี่มันเป็นเช่นั่นแล้วไม่มีสิ่งไหนที่เราไม่เกี่ยวข้องกับมันไม่ถูกได้ในความตายมีความไม่ตายในความเก็บมีความไม่เก็บในความเจริญมีความไม่เจ่ิญถ้าจะไม่จานานก็นจะไปถึงที่สุด ดิว่ปริญญาโนบลู่ในกองสังขร์คือกายใจกายสังขร์ปุงแต่งเยอะแยะจิตต์สงขร์ปุงแต่งเยอะแยะเป็นพบเป็นชาติพีวิตโลถูกเป็นจเลอยของสิ่งเหล่านี้เมื่อันทุกข์ก็เป็นทุกข์เป็นหลงก็เป็นหลงไม่ทุกข์ไม่ได้หรือในความทุกข์ ไม่หลงไม่ได้หรือในความหลงไม่พอใจไม่ได้หรือในความพอใจไม่ไม่พอใจในความไม่พอใจไม่ได้หรือเหนือกว่านั้นไม่ได้เลยเราจะต้องเป็นอย่างนั้นหรือสรภาพหรือจำนวนตัวมันหรอเฮ้ยหวัวโล่เคยร้องให้จริงไหมที่เราหวัวโล่ร้องให้เ้ยมีความสุขเคยมีความทุกข์มันจริงไหม เวลาเราหมอนั่งมีสติอยู่นี่ยกมือเข้าคู่เขียงเข้าเยอะฉยะนันหมดมันจะเห็นยิ่งเปิบเพื่อนเลยมามก็ยิ่งโชว์ให้เห็นมากก็มีลูกคิดถึงลูกก็มีเมียคิดถึงเมียมีผัวคิดถึงผัวคนจนคิดแบบคนจนคนรวยก็คิดแบบคนรวยมีอะไรก็ผูดันเรื่องนั้นขึ้นมามันมีอยู่ที่ไหนกันแน่ เมื่อลงมายกมือเคลื่อนไหวไปมาออุบันมีสติรู้สึกตัวคิดไปกลับมาไปทางไหนกลับมากายสังการปุงแต่งกลับมาดูลู่สุดตัวมาลงที่ความรู้สึกตัวจิตสังขารที่มันคิดไปกลับมารู้สึกตัวที่หลงของกายของใจเอามาลงที่ความรู้สึกตัวมันจะเป็นอย่างไรหลงหนึ่งครัง้งรู้หนึ่งครัง้ง ทุกหนึ่งครัง้งรู้หนึ่งครัง้งโกรธหนึ่งครัง้งรู้หนึ่งครัง้งเท่ารู้เท่าโท่านมันนี่คือการปฏิบัติอย่าให้มันหลงฟรีอย่าให้มันทุกฟรีผิดฟรีอะไรที่มันไม่ใช่ความรู้อย่าให้มันเอาไปฟรีฟรีมีความรู้สึกสตัวประโยชน์ของทุกกรณีจึงจะเรียกว่าปฏิบัติมันจะได้บทเรียน มันได้ความรู้จาความหลงนี่มันหลงฟรีมานานแล้วทุกข์ก็ฟรีมานานแล้วมาที่ไหนเอาไปกินฟรีเลยความทุกข์นมต่อร่วงน้มตาไหลแต่ที่จะมีสติดูมันจีมันคืน อ, อะไรมันมีไหมในความทุกข์มีความไม่ทุกข์ไหมมันมีนะมันมีโรคสองฝั่งนะ ฝังซ้ายฝังขวาฝังบวกฝังลบสุคือบวกทุกคือลบเป็นอารมณ์ที่เกิดกับกายกับใจ <c oughs> <c oughs> แ้วมันเป็นดุ้นดุ้นน้อ น, อนก็ยังพอไหวนี่มีสมมติบัญญัติเข้าไปอีกบัญญัติเอาเอาชอบว่าไม่ชอบต่างกันไปมากตายัดแย้งกันในบัญญัติ คนที่คนหนึ่งชอบคนหนึ่งไม่ชอบคนที่คนหนึ่งไม่ชอบคนหนึ่งชอบมันก็บรรจากต่างกับบนแบงยิ่งผู้คูณยิ่งทำให้เราห่างไกลกันไม่เห็นความจริงมันจะเห็น ต, นต้นตอเมื่อเราปฏิบัติเมื่อเราศึกษาได้บทเรียนมันคิดนะเคยเจออะไรความคิดตั้งใจไหมตั้งใจคิดหรือมันลัก คำโวยคิดขึ้นมามันใช่เราหรือความคิดเป็นทวานของกิตเอาความจิตให้มาคิดถ้าสิ่งใดที่มันคิดทําตามมันหมดหรือกลับมาหากายเคลื่อนไหวรู้สึกตัวลองดูเวลาเนีไม่ใช่มานั่งคิดถึงลูกถึงเมียมานั่งสร้างสติทาได้ไหมเรามาอยู่นี่มาสร้างสติมันคิดก็เป็นการเคลื่อนไหวของกิตมันมี มันมีจิตมีวิญญาณธาตุมันรู้อะไรได้กายก็มีวิญญาณธาตุเดี๋ยวนี้ก็หนาวหนาวความหนาวคืออะไรเป็นอาการหรือเป็นธรรมชาติหรือเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนในความหนาวกู้หนาวกูร้อนกูหิวกูวปวดมันอยู่ในกองอยู่ในเกาะออกมาสักหน่อยเห็นมีสติมันจะเกิดก่อนเห็น มีสติมันจะเกิดก่อนเห็นพบเพศมันใช่แบบคิดเหตุมันเกิดขึ้นมาแล้วเห็นเห็นขวามหลงหรอเป็นลูกแรกเป็นด่านแรกเป็นก้าวแรกวงลูกจากตัวคู่กับขวามหลงก็จะมีสติไปในกายสิบสีจังหวะแต่ละวิหนาทีหนาทีวิหนาทีหนึ่งลูกทีหนึ่ง เอาบ้านน่นนะมาจะไม่สําเร็จได้ยังไงมามีสูตรแบบนี้ไม่ว่าอะไรมันมีสูตรตรงนั้นเรียนแพทย์เรียนหมอก็มีสูตรไม่หลอกฐานเหมือนกันหมดดูอันเดียวกันหมดตอบไตใช้ผมผ ม, ผมคนเล็บฝันนั่นเลยก็อยู่ดื้อเนี่ยกระดูกมาหมอใจตับไตปอดใช้ใหญ่ใช้น้อยอ่ารใหม่อ่านเก่า รูปอย่างเดียวกันหมดมันนั่นเป็นภาษาของรูปธรรมนามมาทำมันไม่เป็นวัตถุมันยิ่งใหญ่ในเพราะความคิดคนเราเป็นทุกข์เระความคิดมากที่สุดคิดกันมาจิตไม่ได้คิดขึ้นมานอนไม่หลับคิดขึ้นมาน้ำตาลุ่งน้ำตาไหลคิดกันมาก็ทำความชั่วเป็นอันตรายทำลายตัวเองได้ ทำลายจเจือกินทำลายคนอื่นได้เงินมีขนาดไหนความคิดเฉยเฉยหรือว่าทำอารม์หรือว่าอารมลมร้อยกวัวเสือทั้งๆนี่ไม่ม่ตัวไม่จนเวลา ก, กันเกลียบชังกันเมื่ออารมมามายจอมจิตเป็นความคิดกลายเป็นอารมณ์ก็ทําให้ ค, คนคคติด ออกจากอารมณ์ไม่เป็นออกจากความคิดไม่เป็นเป็นทาตเป็นขี้ข้าของความคิดมน่าจะตื่นขึ้นมาสักหน่อยนะเงินเช่าอย่างดีสายมามเป็นอะไรขึ้นมามีจิตใจก็พึ่งใจไม่ได้ไรลวกจะเป็นอย่างไรแล้วแต่อารมณ์จะจับไปใช่อย่างไรตามตๆ ม, มันหมดบางทีก็เสียผู้เสียคน อะไรที่เรามันประเสริฐที่เรามีกายมีใจประเสริฐตรงไหนรับนะใช่สังขารปรุงแต่งเป็นชี้ค่าของสังขารเอาสังขารมาเป็นตัวเป็นตนแม่ความโกรธก็ถือว่ากูโกรธกูได้โกรธตายไม่ลืมกูได้โกรธกูไม่ได้ ข้ามันต่อยมันกูไมย่ยงมแล้วนั้นก็เป็นมันมีหรือแล้วก็เป็นอย่างไรทำตามสมุทัยสังขารเสียผู้เสียคนโดยจงมามีสติปวดป้อยตัวเองกลับมาหาที่ตั้งทำได้ทุกคนมันหลงไม่หลงกลับมานี่หันชิดไปกลับมานี่ เ่าเล่นๆไปเอาเป็นเรื่องสนุกเห็นความทุกข์ก็สนุกเห็นนันทุกข์ไม่เคยเห็นความทุกข์มีได้เป็นผู้ทุกข์วอมามีสติมัจะเห็นความทุกข์เห็นความโกรธเห็นความรล้เห็นความหลงเห็นวิเลตต์ต้นหนาหลาขาไปว่าทิฏฐิมันนะบ่าจะมาถือศีนปฏิบัติธรรมอะไรมันฉายออกมา พอยบาดมาสร้างสตดิดีเกิดพยายามขึ้นมาไหลไปทางอื่นคนที่เคยโกรธก็แสดงออกทั้งความโกรธยังมีในกิตวิญญาณมันติดมันเคยไหลไปทางนั้นมันก็รุนแรงเวลาเราจะสงบมันจะพุ่งซ่าน เมืนป๋าถูกแผเมือ่อปลาถูกแขมันก็ต้องดิน้นเมื่อดิ้นมันก็หลุดก่อนมีสติเหมือนกับว่ามันคุมมักก็ดิน้นอะไรที่มันมีอยู่ในนี้มันดิน้นมันเหมือนน้าที่มันขุ่นปลาก็ก็บ้อนก็เห็นตัวป๋ามันก็อยู่ไม่ได้ กวนมันปฏิบัติสติมือมันกวนกวนให้มันออกมาดูนั่งเ่ชั่วโมงกวนอะไรกวนเวทนาให้มันเกิดขึ้นมาได้เห็นเวทนาเดินจงกรมนั่งยกเบืษษอเศาง่วงว่าใส่ใจลองดูมีสติลองดูพิสวดลองดูมันเกิดอะไรขึ้น บากบันนี่หมายความเพียนความบากบันของบุรุษปฏิบัติจยางดีก็ได้ผลเป็นดีดังเลิศปฏิบัติอย่างเร็วก็ได้ผลเป็นความเร็วมันอยู่ที่การกระทําของเราให้เชื่อผิวมือเชื่อการกระทํา มาเกิดจากการกระทำเธอแทงไปเห็นหลงเปลี่ยนเป็นรูนี่มันน่าจะเพ้วผูมใจเป็นความคิดเป็นความรู้ตื่นความคิดน่าจะยกมือสร้างจังหวะมาเกิดคิดไปโอ้โหตื่นเหมือนรูขึ้นมาไม่เคยเห็นความคิดสักทีบ่มาไม่จะติวเห็นความคิดของตัวเองมาเกิดขึ้นมาเล่นไปที่ไหน ต้งเที่ยวไปที่ไหนลูกเลยเห็นมันไม่ไดตั้งใจเลยมันคิดขึ้นมาเนื้อขวานตั้งใจคิดก็ไม่ควรมาตั้งใจคิดในเวลานี้พางคนถึงกับพูดออกมาท้งว่าจ่าหลวงตาหลวงตาหมูมีลูกสองคนนะมันทำอย่างนี้จะเลี้ยงลูกได้ไหมเนี่ยจิดเรื่องเรื่องลูกซะนะสามีอุบัติเหตุเสียชีวิตไป หนูมีลูกสองคนจดเลี่ยงลูกได้ไหมอ๋อไม่ใช่ไหมคิดถึงการเลี่ยงลูกอปฏิบัติเวลานี้เราคิดถึงมันได้อะไความคิดมันได้อะไรเวลานี้เราอยู่นี่เราคิดถึงเขาเขาลูเรื่องไหมคิดถึงแฟนแฟนลูไหมคิดถึงคนรักคนรักลูกไหมว่าเราคิดถึงเขาเขาไม่ลูเราคิดของเราเอง เหมือนกับคนหนึ่งมาปฏิบัติธรรมสามีมาปฏิบัติปัญญาไม่มาปฏิบัติสามีเขาก็ได้บทเหรียญจากความคิดแต่ปัญญาเนี่ยไม่ได้ฝึกตัวเองเวลานอนนอนไม่หลับสามีเวลานอนก็หลับก็ปลูกสามีขึ้นมานี่เขาเล่าฟังตัวเขาเล่าเอง พ่อพ่อพ่นอมันก็หลับเลยเลยเนี่ยไม่คิดห่วงลูกบ้างเลยคนหนึ่งก็อยู่กรุงเทพคนหนึ่งก็อยู่มาหาลัยเชียงใหม่นอนแล้วหลับเลยไม่คิดถึงอลูกเลยก็กว่าสามีก็ตื่นขึ้นมาเอ้าคิดถึงลูกก็นอนให้มันหลับเราคิดถึงลูกหมาความคิดมันได้ประโยชน์ลย <c oughs> อยตอาไม่หลับก็จะเป็นอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวเจ็บไข้ได้ป่วย เก็บเปิดขึ้นมาก็บยากกับเขาอันง่วงรูกไม่ใช่ไม่คิดทำตัวเองให้ดีฉันทอนไม่หลับทัาไงฉันนอนไม่หลับก็บอกมือวางไว้หนะ้า อ, อกิกมือขึ้นให้รู้สึกตัวมันชิดไปกลับมานี่สอนกันในห้องนอนนี่ก็ไม่้าทําไปหาทํามาก็ได้ได้บทเรียนก็นอนหลับมาเล่าให้ฟัง ก็เลยมาถ้าปฏิบัติถ้ามาคิดไปก็มานี่เวลานี้เวลานอนไม่ใช่เวลาคิดลูกเขาอยู่โน่นก็มาหนี่คิดไปอีกก็มาอีกคิดไปที่ใด ก, ก็มาที่นั่นอา้าวความคิดกลายเป็นความรู้เสียแล้วรวยสนุกลเห็นความคิดเป็นเรื่องปัญญาเสียแล้วแต่ก่อนเป็นธาตความคิดออกจากความคิดไม่เป็นนอนไม่หลอกเพราะความคิด อ๋อเป็นโรคประสาทพลังงานเกิดใช่ความคิดมากก็เสียสูญเสียพลังงานเหมือนกันถ้านอนเราก็หลับฝันไปกับความคิดคนนอนฝันก็นอนไม่เอิงหมดพลังงานเหมือนกันเอาความคิดมาเป็นเรื่องฝันต่อกลางคืนว่าฝันกลางวันว่าคิด ก็เป็นจิตวิญญาณไปท่องเที่ยวไปไม่ได้พากดไม่เป็นตัวของตัวแล้วจะเขาจะหิ้วไปทางไหนในความคิดว่ามีอํานาจมากเป็นใหญ่มองข้าพับใสเป็นภพเป็นภูงเป็นภพเป็นชาติเถิดเจ็บเจ็บตาในเช่นนั้นได้อะไรก็มาเป็นตัวเป็นตนหมดสุขก็มาเป็นตัวเราหมดทุกข์ก็มาเป็นตัวเราหมด หมอมีสติม่เห็นมันไม่ใช่ตัวเราสัหน่อยเลยถ้ามีสติเห็นมันเห็นมันไม่เป็นไปกรรมมันเมื่อเห็นก็ไม่เป็นอันหลงไม่เป็นผู้หลงเห็นมันหลงอะไรเกิดขึ้นเมื่อเป็นอย่างนี้มันหิวเห็นมันหิวไม่เป็นผู้หิวมันเกิดอะไรขึ้นถ้าเห็นอย่างนี้นะเบาๆนะเบา โอก็ะระสรรเสริญแทนที่หิวเป็นทุก์ไม่ทุกเ์เสียแล้วขอกคุณความหิวถ้าไม่หิวมันไม่ใช่ลกูกมันจะตายเออมันหิวอยู่ได้ ว, ว่าสุขภาพร่างกายยังดีอยู่ดีใจพูนใจเห็นมันหิวแต่ถ้าเราไม่ลูกทุกข์ก็ความหิวใจสศร ใ, ใ, ใ, ใจบาใจปะใจบาง จะเห็นแล้วก็ยิ่งย่างในความอ่อนแอกลายเป็นความเข้มแขงขึ้นมาจริงที่มันเกิดกับกากับใจเรานี่แม้มันดีจริงๆบทเรียนรู้เป็นปัญญาโลกรูป้ปัญญามันอย่างนี้ปัญญาพุทธะนะรู้หลามาหลุดออกมาพ้นออกมาโคนโลกเหนือโลกเหนืออาการที่เกิดกับกายกับใจจนมาเห็นว่าเป็นหลักเป็นฐานได้หลักได้ฐานเห็นเป็นรูป เห็นเป็นนามไม่เห็นเป็นกายเป็นใจดูไปดูมาเห็นเป็นรูปเสร็จแล้วเห็นเป็นนามเสร็จแล้วแตกฉานระบาดเนี่ยสุไว้ต้องเดียกว่าสุขทุกมาต้องเดียกว่าทุกแล้วเป็นอาการของรูปเป็นอาการของนามแตกฉานเรื่อยไปไม่จนง่าย ไม่ต้องเรียกมันว่าสุกไม่ต้องเรียกว่าทุกข์ไม่ต้องเรียกว่าโกรธไม่ต้องเรียกว่าโลภว่าหลงไม่ต้องเรียกว่าพิเลตทะหาละละกเป็นอาการคิปจ้อยนิดน้อยไม่ยิ่งใหญ่แต่ก่อมันใหญ่มากความโกรธก็ยิ่งใหญ่มืดบอดไปทุกเรื่องเลยถ้าเกิดความโกรธจำกันมไาได้เห็นฆ่ากันได้ทำลายกันได้ บทนี้โมเห็นเป็นรูปเป็นนามเป็นปาการที่เกิดกับจิตไม่ใช่จิตอารมโกรธไม่ใช่ตัวจิตจริงๆเป็นอาการเป็นอารมณ์ที่เกิดกับจิตไม่ใช่จิตแต่ก่อนนั่นจิตมันไม่เป็นอย่างนี้มันถูกปรุงแต่งขึ้นมาเกิดกับจิตทั้งอาการถ้าเราไม่เห็นว่าเป็นรูปเป็นนามเป็นกายเป็นใจก็สำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเรา เอาความโกรธเป็นใหญ่ใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสำเร็จที่ใจถ้าใจโกรธก็สำเร็จทุกอย่างใช่ใจทุกข์ก็สำเร็จทุกอย่างบอละมาเหตุเป็นรูปเป็นนามเวนอาการเป็นธรรมชาติของของไม่ใช่จิตเลยแต่ก่อนจิตบริโิ์อยู่เป็นธรรมชาติไม่เป็นไรอยู่ ก็จะเห็นลากเง่าของรูปของนามตามความเป็นจริงแล้วก็จดมีการเห็นเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตากับใจไม่ได้เห็นง่ายง่ายเห็นแล้วไม่เป็นไปกับมันก็หลุดพ้นทุกสิ่งทุกอย่างไปก็รที่เป็นอะไรก็เป็นสติไปเรื่อยๆไปสติกากับระสติเป็นตัวเฉลยต้มีสตินะแต่ถ้ามีสติเนี่ยก็จนนะ ความหลงก็หลงเลยความทุกข์ก็ทุกข์เลยถ้ามีสติไม่จนต่อความหลงความทุกข์โอ้ยมามีสติเป็นปัญญาได้ปัญญาเพราะมันมีปัญหาตอนเหตุเลยไม่เป็นปัญญาได้มันเกิดจากกายสังขาร น, นี้กิจตสังขาร น, นี้ความเราลู่ในกองสังขารทั้งสองอย่างนี่เรียกว่าปัญญา พุทธตัวตื่นเบิกบานด้วยประโยชน์ด้วยประโยชน์ต่างเก่าพ้นภาวะเติมพลภาวะเก่าเรียกว่ากรร ม, มฐานวิปัชนาเกิดจากการกระทำแท้เแีย๋ยวนี้เราใช้ชีวิตแบบไหน ผ่านมาถึงวันนี้เวลานี้เราอยู่โลกแรมไหน <c oughs> ถ้าจะถอนตัวความรู้สึกตัวกับความหลงอันไหนมันมากกว่ากา่อนจะเป็นโจวย์เป็นพิพากษาถ้ามีความหลงมากกว่าจะหาความเป็นธรรมได้จากตัวเราได้ยังไงถ้ามีความรู้มากจะเกิดความเป็นธรรมได้ กัตัวเองได้คนอื่นจิงเงินวัตถุอื่นได้ในเราก็ไม่ในเราก็ไม่มีความเป็นธรรมแล้วจะให้ความเป็นธรรมเกิดจากใครถ้าเรามานับจากตัวเราก่ไม่มีใครจะช่วยได้ในความเป็นธรรมเราต้องช่วยตัวเองสร้างขึ้นมาอย่าเรียกร้องความเป็นธรรมจากคนอื่นชิงเงินาหาไม่พบต้องมาตั้งต้นจากชีวิตเราทุกคน ให้มีสติสมัชชัญญะดูแลตัวเองให้ดีๆให้มันคุ้มดูแลกายให้มันคุ้มดูแลใจให้มันคุ้มอย่าให้ปล่อยให้มันทิ้งอย่าปล่อยให้กายเป็นสุขเป็นทุกข์ให้มันเป็นปกติให้อย่าให้ปล่อยให้จิตใจเป็นสุขเป็นทุกข์ให้เป็นปกติบ้านของชีวิตคือปกติ ปกติกายปกติใจเป็นบ้านของชีวิตมันได้ชีวิตขึ้นมาชีวิตไม่ใช่กายไม่ใช่ใจมันต่อยอดจากนี่ไปหันกายอันใจนี่เป็นเป็นรูปเป็นนามมาเกิดเจ็เจ็บตายมาเฉยไม่ได้ถ้าเราไม่ออกมาฝึกขัดให้เกิดความดีมัน มันไหลไปสู่ความเสียความผิดความตายอยู่เป็นเนืองนิดวันเวลาผ่านไปเท่าใดร่มันก็เอาชีวิตเราผ่านไปเท่านั้นเหมือนเหตุจากฆ่าจูงโคเข้าไปฆ่าโคลก้าไปเท่าไหลก็ใกล้ขอบตายเทนั้นเราได้ประโยชน์หลาจากการมีชีวิตเราจะมาพึงนัด ให้ลองดูชกเก็ดวันเกดเตือนเ็ดปีจะเป็นอะไรจะเกิดอะไรขึ้นมาพูทีเจ้าท่าถายต้ง น, นี้มากในประเทศแต่เราก็มีอย่างน้อยก็ขอเสนที่นี้ให้เป็นสถานสนามฝึกกันให้เป็นอิสระอย่าเบียดเบียนกันอย่าบาังคับกันให้เป็นอิสระที่สุด แล้วก็ใช่อิสระที่สุดที่นี่ได้แม่เวลาเราไปคของธรรมวัดก็เป็นอิสระ่าได้ถือว่าบังคับกำหนดเวลาให้ให้พอใจฝึกตนสอนตนไปแล้วขังไปกินไปฉันก็อย่าถือว่าดีว่าไม่ดีถือว่าเป็นอิสระใช่ไป ทานไปฉันได้ตามอิจระอย่ากเก่ง อ, อกเก่งใจอย่าไปคิดอะไรพวกเราใช้ชีวิตที่นี่เพื่อการปฏิบัติเห็นคนมาปฏิบัติเราก็คิดว่าจะมีที่พึ่งชาคนไทยจะมีที่พึ่งซึ่งกันและกันได้จะมาลู้เหมือนเดียวกันเห็นความหลงเปลี่ยนหลง เปลี่ยนวาทุกเปลี่ยนไม่ทุกเป็นเปียนวงโกรธเปลี่ยนไม่โกรธเป็นก็ถือว่าพึ่งกันได้ถ้าเราไม่เปลี่ยนเราก็พึ่งกันไม่ได้เอ๋เราก็พึ่งใจเราไม่ได้เราจะพึ่งกันได้ยังไงเพราะน่าเราจะมาฝึกตนสอนตนหนึ่งให้เต็มที่เต็มที่ไม่ใช่หน้าดําคําเครียดสนุก สนุกลู่สนุกลงคู่กันไปบางทีก็ต้องทนบ้างในความอ่อนแอเข้มแข็งขึ้นมานดเดินจงกรมหมดนั่งเคลื่อนไหวไปมามีที่มีทางกำหนดการไปสีดิเช่นในตัวเองตื่นขึ้นมาเอาเวลาเท่าไหร่ตื่นขึ้นมาขีดเส้น ไปตามเช่นไปถามแผ น, นที่วันหนึ่งวันหนึ่งถ้าระเบียบวิ่งในวิน่งในมันมีเช่นเป็นเช่นได้รลอยดอกไม้ชีวิตเราต่างพ่อต่างแม่ต่างนิสัยใจคอวิ่งในเหมือนเช่นได้ลอยดอกไม้หมืนจใจใจอ น, น, น ล, ออลอยเข้าหากันกลายเป็นพรมวไหลกลายเป็นคนคนเดียวกันสติ เป็นเส้นได้โรมหัจอกนิสัยเฉกว่าไมมีสติจะเป็นคนคนเดียวกันเลยถ้าเราหลงเป็นคนเราโกนกันไปนี่คืว่าอจจรรัญทาไว้ไหนนี่ผู้ปฏิบัติให้ผลได้หันเช้นได้ร้อยดอกไม้กายเป็นผงมาไรงดนา เปล่นหลงเป็นลูปเปลี่ยนทุกข al ์เป็นลูปเปล่ยนโกรธเปล่ยนอะไรเป็นลูปทั้งหมดอ๋อเป็นคนก็เดียวกันแล้วความชั่วทำความดีมีสติมันก็ละความชั่วมีสติมันก็ทําความดีมีสติจิตก็บริสุสุ์เห็นไม่เปลี่ยนบริสุสุ์แล้วนะเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงพ้นจากควมหลงไม่เปิดเื่อนความหลงเลยเฮ้นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์พ้นจากควมทุกข์ ไม่เปรอะเพื่อนเห็นความโกรธไม่เป็นผู้โกรธพ้นจากความโกรธนันไม่ได้เหงื่อไหลเลยเอาจนะตัวเองปะเสิฐที่สุดชนะวามหลงชนาความทุกข์ชนาควาโกรธที่เกิดกับเร า, เาขึ้นมาประเสริฐแล้วร้อยความชัว่วเดาทําความดีแล้วจิตบริสุทธิ์แล้ว ไม่เปิดเพื่อนเราไม่เปิดเพื่อนเป็นมโมจันถ้าบริสุทธิ์มาขึ้นขเขาเรียกโจรโมชันริสูทธม์บริบูรณ์ชื่นเชิงนี่ไม่ใช่ใบท่องหนังสือเห็นไม่เป็นเพื่อนจะพาเห็นแม่พระเจ้าได้สอนเทศนาการแ้กก็พูดเรื่องนี้เห็นทุก ทุกเป็นเรื่องอการกำหนดรูได้เห็นกําหนดรูด้วยการเห็นสมุทัยต้องละในรูดทำให้แจ้งมรตทําให้มากมากอยู่ที่ไหนอยู่ที่สติปัญญามรคือดูอยู่นี่ดูให้เห็นอยู่เรืเถิดให้เห็นอยู่บ่อยมีสติเปน็นกายเป็นประจอา เป็นประจําหรือว่ามักแล้วเห็นกายในกายอยู่เป็นประจําอะไรมาเกิดกับกายให้มีสี่ตรงายนี่เรามักคือเห็นอยู่นี่เห็นกายที่มันเคลื่อนไหวมีจิตนาเดินมาชิดไหมกลับมาเป็นรูปจักรวาลเคลื่อนไหวเอาไม่ออกจากหลักไม่หนีจากหลักมันจะดึงไปไหนไปดึงหาดึงไปหาคนแล้วคนจัง กลับมาตึงปหาอะไรต่างๆกลับมาไม่มีมเรือพ่วงปล่อยไว้ก่อนเวลานี้เราไม่เช่มาทำเื่นมามีสติตัดตัดมารูปแบบตัดเข้ามากลับเข้ามาปฏิบัติคือกลับเข้ามาแม่พระสิดาถาสมัยที่พระองค์บำเพ็ญสมถธรรม โที่ยาณ น, นั่งอยู่ใต้ต้นโพคู้แขงเข้เขาหเหยื่อเฉินอกรู้สึกตัววันที่คิดถึงพิมพ์พากลับมารู้สึกตัวคิดถึงลาหุนกลับมารู้สึกตัวคิดถึงปัสสาวจานรดูกลับมารู้สึกตัวคิดถึงเสาสนมกำนันในกลับมารู้สึกตัว ถ้าเอาเหตุผลเปรียบเทียบกันไม่ได้ภาษาชาวนิรุกกับต้นไม้มันจะต่างกันคนละโลกเลยแต่นั่นไม่ใช่เอามากำหนดเวลานี้เราไม่ใช่มาคิดเรื่องนั้นเรามารู้จึกตัวมารู้จึกตัวคนอื่นทำมาหมดแล้วเหนืออย่างเดียวคือมามีสติไปในกายตอนนี้มาฝึกตัวนี้คนเดียวเท่านั้นเป็นพระอรหันต์เลยต่อสรกนี้เป็นพระเจ้า คนใครคนเดือดในโลกออกมาสอนคนอื่นต้นเดือรู้ตามใช้เป็นบรร ญ, ญาวิคีจึงได้ชื่อว่าสมมาสพุธโธด้ยอยเฉลิยมแน่แล้วก่อนตัดจะรู้แน่แล้วสอนก็อื่นรู้ตามได้เป็นสากล ควเป็นสาวคนเหงานทำเกิดขึ้นแล้วเป็นหน่ทุกชีวิตแล้วควมรู้สึกตัวมาอยู่ในเพศของนักบวชคมรู้สึกตัวมาอยู่ในเพศของคราวาสญาจโจรความรู้สึกตัวมาอยู่กับคนหนุ่มคนสาวอยู่คนตบเท่าคนใจใครมีความรู้สึกตัวก็เป็นของคนคนนั้นเป็นธรรมที่สุดและก็ไม่ต้อ้หามันมีอยู่แล้ว แต่เราไม่ประกอบขึ้นมาให้มันมากแม้มันไม่มากก็ยังช่วยเราอยู่ปกติเกิดขึ้นเป็นครัง้งเป็นคราวอยู่เราไม่ใช่โกรธถ้าโกรธไม่รู้จกหยุดก็ตายไปแล้วนี่ธรรมะยังช่วยเราอยู่ก็ได้สติขึ้นมาวางเป็นหยุดเป็นน่นอนมาฝึกหัดอยู่อย่าไปเชื่อคร เราไม่พูดนต่ให้เชื่อให้มาพิสูจน์ทำตามแบบพระเจ้าลองดูมันคิดไปกลับมาเห็นความคิดเป็นความรู้ทาดูเห็นความผิดความถูกเป็นความรู้เห็นความสุขความทุกข์เป็นความรู้เห็นความยากความง่ายเป็นความรู้เอาไปมาก็ไม่มีรสพิชิตนะโลกผมโกรธก็ว่ามีรสเห็นมันโกรธไม่เป็นผู้โกรธผมทุกข์ก็ เห็นวันทุกข์ไม่เป็นวทุกข์ความทุกข์มันมีรสชาติมีจิสติเป็นที่ยิ่งใหญ่ได้เห็นนี่ใหญ่มากเพราะว่าที่เห็นเห็นเราก็ไม่เป็นนยิ่งยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเลยใหญ่ที่สุดไม่เป็นอะไรไปก็กรรมจนที่สุดไม่เป็นอะไรกับป่าไที่มันเกิดกับกายกับใจเด็ดขาดอยากจะรลองว่าโอ้แต่ก็อนหนีอกกายอาใจมาเป็นเรื่องสุขเรองทุกข์ แต่นี่ไปจะไม่โอกาสไว้ใจมาเป็นเรื่องสุขตองทุกข์ประกาศอย่างนี้ขึ้นมาเกิดจากคิดของทุกคนได้ชักบัลลังกงจะต้องเกิดจากนี้ขึ้นมาเห็นหลงเป็นไม่หลงเห็นหลงเป็นลูกเห็นทุกข์เป็นลูกไปทานี้นะเนาะ น, นี่ก็พูดใน้ฟังเป็นส่วนประกอบกับการปฏิบัติแต่ตัวปฏิบัติไปทำเอาให้มันเห็นนอาไว้ใช่พูดในจํา เอาไ้ทำา่าย้ะทำดูสมควรใช้ เ, เวลาก็พพระพร้อมกัน